มาบรรยายต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องบุคคลผู้หาได้ยากในโลกจากบทประพันธ์ของอาจารย์วสินอินทศระบทนําเรื่องบุคคลผู้หาได้ยากในโลกพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หลายปริยายคือหลายประเภทหลายจําพวกมีอยู่จําพวกหนึ่งซึ่งตรัสไว้ปรากฏในพระไตรปิฎกอังคุตระนิกายทุกอนิบาลพระไตรปิฎกเล่มยี่สิบ หน้าร้อถึงร้อข้อสามใจความว่าบุคคลหาได้ยากในโลกสองจำพวกคือ 1. ปุปพการีผู้ทําอุปการะให้ก่อน 2. กตัญยูกะตะเวทีผู้รู้อุปการะที่ท่านทําให้แล้วทําตอบแทนผู้ทําอุปการะให้ก่อนก็มีหลายจําพวกเช่นมารดาบิดาญาติพี่น้องบางคน มิสหายบางคนครูอาจารย์เป็นต้นผู้กตัญยูกตวเวทีก็มีหลายจำพวกเหมือนกันเช่นบุตริดาสิทธิ์ญาติและมิตรเป็นต้นแต่ที่กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้เฉพาะบิดามารดากับบุตรธิดาเท่านั้นเนื้อหาได้นำมาจากคำพีมังคลัถธทีปณีหรือคำพีอธิบายมงคล38 ของพระสิริมคลาจา์พระเถระชาวเชียงใหม่ผู้เป็นปราดและได้รับการยกย่องว่ามีความรู้สูงเยี่ยมในสมัยของท่านเมื่อประมาณห้าร้อยปีมาแล้วข้าพระเจ้าได้ดึงออกมาจากหนังสือสาระสำคัญแห่งมงคลส8ซึ่งได้เขียนไว้นานแล้วคือเมื่อปีพุทธศักราช2514ที่ดึงออกมาพิมพ์ตังหากนั้นด้วยคำหนึงว่า การบารุงเลี้ยงมารดาบิดาการดูแลผู้ปกครองผู้อยู่ในวัยชราเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นมากในทุกยุคทุกสมัยและเห็นว่าเป็นการสะดวกที่ผู้มองเห็นประโยชน์จะได้พิมพ์แจกจ่ายให้แพร่หลายออกไปเป็นประโยชน์แก่ส่วนตัวบุคคลชุมชนและสังคมเป็นอย่างมากข้าพเจ้าคงเนื้อหาไว้อย่างเดิมตามที่ทำไว้ก่อน ไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่แต่ประการใดขอน้อมระลึกถึงและบูชาพระคุณแห่งพระเดชพระคุณพระสิริมังคลาจารผู้รจนาคำพีมังคลัตถาทีปณีเป็นภาษาวาลีไว้แต่เดิมรายละเอียดซึ่งมากกว่านี้ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในคำนำหนังสือสาระสำคัญแห่งมงคล38ขอความสุขสวัสดีและริมงคล พงมีแด่ท่านผู้อ่านโดยทั่วกันวสินอินทสระผู้ทากิจที่ทาได้ยากใครคือบิดามานดาเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปแล้วไม่จำเป็นต้องพรนานาให้ละเอียดในที่นี้ท่านกล่าวว่าบันดามารดาบิดาทั้งสองนั้นมารดาเป็นผู้ทากิจที่ทาได้ยากคือต้องเหน็ดเหนื่อยลาบากมากกว่าบิดา ดังที่โสนะนันทบันดิตได้ประกาศไว้แก่พระราชาในชมพูทวีปในโสนะนันทชาดกสัตตินิบาทใจความว่าเมื่อยังไม่มีบุตรมารดาผู้ต้องการบุตรย่อมพยายามด้วยวิธีต่างๆเพื่อให้ได้บุตรเมื่อรู้ว่าตนมีคันก็ถนอมคันอย่างยิ่งต้องแพ้ท้องรับทุกขเวทนาจากการแพ้นั้น มีใจอ่อนโยนต่อบุตรในคันเมื่อบุตรคลอดแล้วและร้องไห้มารดาก็ปลอบโยนด้วยน้ำนมด้วยเพลงขับและด้วยการกกกอดเมื่อลมและแดดแรงกล้ามารดาก็มีความหวั่นไหวคอยดูแลบุตรผู้ไร้เดียงสาทรย์สมบัติของทั้งสองตระกูลคือตระกูลของตนและตระกูลของสามีมารดาย่อมคุ้มครองรักษาไว้เพื่อบุตร เธอย่อมเดือดร้อนในเรื่องการให้บุตรศึกษาทั้งศิลธรรมจารีตประเพณีและวิชาการเมื่อบุตรเป็นหนุ่มแล้วหากไปมัวเมาในพัญญาของผู้อื่นไม่กลับบ้านในเวลาเย็นมารดาก็เดือดร้อนเป็นอันมากดังนี้เป็นต้นปัญหาเรื่องมารดากับบิดาใครมีคุณค่ามากกว่ากันนั้นเป็นเรื่องที่ถามกันมานานและตอบยาก ตามความเข้าใจของข้าพเจ้าเห็นว่าแล้วแต่กรณีแล้วแต่บุคคลซึ่งไม่เหมือนกันบางคนมารดามีบุญคุณมากกว่าบางคนบิดามีบุญคุณมากกว่าบางคนก็มีเสมอเสมอกันแล้วแต่องค์ประกอบและสิ่งแวดล้อมเรื่องอย่างนี้ตอบเป็นเอกังสยากรคือยืนยันข้างเดียวไม่ได้ต้องแยกตอบจึงจะถูกมากกว่า คือพิจารณาเป็นรายๆไปอย่างไรก็ตามหากพ่อแม่มีชีวิตยืนยาวทั้งสองคนและเลี้ยงลูกมาด้วยกันที่ปรากฏให้เห็นง่ายก็คือมารดาได้ทำกิจเกี่ยวกับลูกมากและทำสิ่งที่ทำได้ยากเรื่องนี้ดูเหมือนพ่อที่เห็นแม่ของลูกเป็นคนดีจะยอมรับด้วยกันทุกคนฐานะแห่งมารดาบิดา มารดาบิดานั้นท่านเรียกว่าเป็นพรหมบ้างบุพเทเทบบ้างปุพาจารบ้างอาหุนัยยบุคคลบ้างของบุตรมีอธิบายดังนี้เป็นพรหมเท้ามาหาพรหมย่อมมีพรหมวิหารสี่คือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงฉันใดมารดาบิดาก็มีพรหมวิหารสี่นี้ เปลี่ยนบริบูรณ์ต่อบุตรของตนฉันนั้นคือมีเมตตาปรารถนาดีต่อบุตรไม่มีที่สิ้นสุดมีกรุณาความหวั่นใจในความทุกข์ของบุตรอยากช่วยเหลือให้พ้นทุกข์เมื่อบุตรมีความสุขสบายมารดาบิดาก็มีมุทิตาคือพลอยปราบเลื่อมกับความสุขของบุตรนั้นเมื่อใดบุตรมีครอบครัวเลี้ยงตนเองได้อย่างดีแล้ว มารดาบิดาก็มีอุเบกขาคือวางเฉยวางใจเป็นกลางขณะที่วางใจเป็นกลางนั่นเองก็ยังมีเมตตากรุณามุทิตาแฝงอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมารดาบิดาท่านจึงเรียกว่าพรหมเพราะประพฤติดังพรหมเป็นปุปพระเทพปุปพระเทพแปลว่าเทวดาองค์แรกของลูกเทพในทีน่นี้ท่านหมายถึงวิสุทธิเทพ คือพระอราหันตตะขีนาศบเหมือนอย่างว่าพระวิสุทธิเทพคือพระอราหันต์ไม่เคยถือเอาความผิดพลาดของคนทั้งหลายมาเป็นอารมณ์ท่านอภัยในความผิดพลาดของคนทั้งปวงท่านหวังแต่ความเจริญสุขแก่คนทั้งหลายนอกจากนี้ยังทำให้สการะที่คนทั้งหลายนำมาบูชามีพลานิสงมากเพราะท่านเป็นทักินายบุคลฉันใด มารดาบิดาก็ฉันนั้นไม่คำานึงถึงความผิดของบุตรทั้งหลายมุ่งปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่บุตรส่วนเดียวท่านเป็นผู้สมควรแก่ของบูชาทำสการะที่ลูกนามาบูชาให้มีผลมีอนิสงฆ์มากเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นวิสุทธิเทพของบุตรอันหนึ่งเทพเหล่าอื่นเช่นสมติเทพอุปติเทพและวิสุทธิเทพ ลูกย่อมรู้จักเมื่อภายหลังเพราะได้อาศัยมารดาบิดาเทพเหล่าอื่นจึงเป็นปัจฉาเทพส่วนมารดาบิดานั้นเป็นปุปพระเทพเป็นปุปพาจาจารปุปพาจาจย์แปลว่าอาจารย์คนแรกหมายความว่ามารดาบิดาเป็นอาจารย์คนแรกของบุตรทิดาพระสอนให้ทำนั่นทำนี่ก่อนอาจารย์อื่นๆมารดาบิดา สอนบุตรให้เว้นสิ่งควรเว้นประพฤติสิ่งควรประพฤติก่อนคนอื่นส่วนอาจารย์ที่สอนศิลปะวิทยาสําหรับเลี้ยงชีพอาจารย์ให้สรณะและศีลอาจารย์ให้บรรพชาอุปสมบทอาจารย์ให้เรียนพุทธพจน์และให้บรรลุมรรคผลนิพพานล้วนเป็นปัจฉอาจารย์คืออาจารย์ในภายหลังทั้งสิน้นการสอนของมารดาบิดา น, านั้น เป็นการสอนด้วยความหวังดีมีเมตตาปราณีต่อบุตรจริงๆไม่ได้หวังสินจ้างรางวัลใดๆทั้งสิน้นหากบุตรประพฤติปฏิบัติตามที่ตนสอนก็เป็นความปราบปลื้มชื่นชมแห่งมารดาบิดานั้นอย่างใหญ่หลวงเป็นอาหุในยะบุคคลอาหุไนยยบุคคลแปลว่าบุคคลที่ควรได้รับการบูชาด้วยข้าวและน้ำเป็นต้น มานดาบีดาเป็นอาหุนายบุคคลเช่นนั้นคือเป็นผู้สมควรแก่การบูชาสักการะของบุตรเพราะมีคุณควรแก่การบูชาเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ในสาวพ ม, มกสูรทั้งในติกนณิบาทและจะตุ ก, กานิบาทอังคุตรณิกายว่าภิกษุทั้งหลายคำว่าพรหมปุพพเทพปุพาจาร และอาหุนนายยบุคนนั้นเป็นคําสําหรับเรียกมารดาบิดาเพราะเหตุไรเพราะท่านเป็นผู้มีอุปการะมากบํารุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรมีคําบาลีอยู่สองคำที่ควรสนใจในที่นี้คือคําว่าอาปาท ก, กาและโปสกาอาปาท ก, กานั้นท่านหมายถึงเป็นผู้บํารุงคือเลี้ยงชีวิตของบุตรให้เป็นไปโดยต่อเนื่องกัน และเลี้ยงดูให้เจริญเติบโตโปส ก, กานั้นท่านหมายถึงมารดาบิดาเป็นผู้ยังมือและเท้าของบุตรให้เจริญมารดาให้ดื่มโลหิตในหาไทยคือน้ำนมของตนประคับประคองด้วยข้าวและน้ำแปลความโดยย่ออาปาทกาน่าจะได้แก่การคอยคุ้มครองดูแลมิให้เป็นอันตราย คอยป้องกันสิ่งกีดขวางความเจริญของบุตรส่วนโปสการ์นั้นน่าจะหมายถึงการเลี้ยงดูด้วย ข, ข้าวสุกขนมสดและด้วยนมนมของตนเป็นต้นมีคำอีกคำหนึ่งคือคำว่าทัดเสตาโรที่ท่านแปลว่าเป็นผู้แสดงโลกนี้แก่บุตรนั้นความว่าการที่บุตรได้มองเห็นอิถาโรมในโลกนี้ได้ ก็พระมารดาได้ช่วยประคับประคองกันมาโดยลำดับในขณะที่ประคับประคองบุตรของตนนั้นบางทีต้องทําลายชีวิตของสัตว์เหล่าอื่นบ้างต้องสละสิ่งของต่างๆของตอนเพื่อความอยู่รอดแห่งบุตรในเวลาลูกเจ็บป่วยนั้นจิตใจของมารดาบิดารู้สึกว่าถ้าตนสามารถเจ็บป่วยแทนได้ก็จะพอใจตอนนี้ท่านเรียกว่า มารดาบิดาเป็นผู้อนุเคราะห์บุตรของตนหรืออนุกรรมปกาการตอบแทนคุณของมารดาบิดาเพราะเหตุที่มารดาบิดามีอุปการะมากเหลือล้นต่อบุตรฉะนั้นการจะทําตอบแทนคุณของท่านให้เหมาะสมแก่อุปการะนั้นจึงไม่ใช่สิ่งที่ทําได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นถ้าผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าถ้าบุตร จะพึงวางมารดาไว้บนบ่าข้างขวาของตนและวางบิดาไว้บนบ่าข้างซ้ายประคับประคองท่านอยู่บนบ่านั้นให้ข้าวให้น้ำให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะอยู่บนบ่านั้นบุตรมีอายุอยู่ร้อยปีและทาอยู่อย่างนั้นตลอดร้อยปีก็ไม่เป็นอันตอบแทนคุณของท่านได้เลยมีแต่จะทำให้ท่านลาบากเปล่าหรือจะสถาปนาบิดาให้เป็นจกักรพรรด มารดาให้เป็นอัครมเหสีแห่งพระเจ้าจากักรพรรดิก็ไม่เป็นอันตอบแทนท่านได้หมดเหมือนกันพระพระทุทธองค์ทรงแนะว่าทางที่ดีที่สุดในการตอบแทนพระคุณของมารดาบิดานั้นคือการทำให้ท่านมีศรัทธามีศีลมีการเสียสละและมีปัญญาอันเป็นสาระของชีวิตแท้จริงแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า ให้ละเลยต่อการบำรุงอันเป็นโลกียะเช่นการบำรุงเลี้ยงด้วยข้าวน้ำและที่อยู่อาศัยเป็นต้นสิ่งนี้ก็ต้องทำเหมือนกันนอกจากนี้ยังต้องมีความเครารพยำเกรงต่อท่านอีกด้วยการเชื่อฟังท่านถือเป็นการปฏิบัติชอบอย่างหนึ่งของบุตรทิดาเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ในสัพพ ม, มะกะสูตรและโสนนันทชาดกว่า บันดิตพึงนอบน้อมและสักการะมารดาบิดาด้วยข้าวน้ำผ้าที่นอนการอบกลิ่นการให้อาบและการล้างเท้าทั้งสองเป็นต้นคำว่านอบน้อมนั้นหมายความว่าแสดงความเคารพยำเกรงและไปหาท่านหากอยู่ใกล้กันทั้งเช้าและเย็นด้วยคิดว่าสองท่านนี้เป็นบุญญาเขตอันยอดเยี่ยมของเรา คำว่าสการะนั้นหมายถึงการให้ข้าวน้ำเป็นต้นท่านกล่าวว่าสำหรับบรรพชิตแม้จะไม่ต้องนอบน้อมแกมานดาบิดาแต่ควรสงเคราะห์หรือบูชาคุณท่านด้วยข้าวน้ำเป็นต้นเพราะไม่มีโทษในการทำอย่างนี้มีพระวินัยข้อหนึ่งห้ามภิกษุจับต้องกายสตรีไม่ได้ยกเว้นแม้มานดา แต่โทษเพราะการจับต้องกายมารดาลดลงกว่าการจับต้องกายสตรีอื่นการจับต้องกายสตรีอื่นท่านปรับอาบัติสังฆาที่เสดเพราะมีราคะส่วนการจับต้องกายมารดาด้วยความรักอันปราศจากราคะท่านปรับอาบัติทุกกฎเท่านั้นเพลาวกว่กันมากในอัตถกถาเพศัชกรณวัตถุในตติยปราชิกท่านจึงกล่าวว่า ถ้าภิกษุนำมารดาไปยังวิหารคือที่อยู่ของตนต้องการปริบัติท่านอย่าถูกต้องกายท่านแต่ควรให้ของกินของใช้เองได้ส่วนวีดานั้นภิกษุปริบัติได้ทุกอย่างเหมือนสัมมเณนหากมารดาอยู่ในระหว่างอันตรายเช่นถูกกระแสน้ําพัดไปท่านว่ายังไม่ควรถูกต้องด้วยมือควรหาวิธีการอื่นก่อนเช่น ส่งเรือหรือแผ่นกระดานท่อนต้นกล้วยหรือท่อนไม้ไปให้ถ้าเรือเป็นต้นไม่มีควรวางผ้าจีวรของตนให้มารดาดึงขึ้นมาแต่อย่าพูดว่าจงจับผ้ากาสายะนี้เมื่อมารดาจับผ้ากาสายะก็พึงทำในใจว่าเราฉุดบริขารของเราถ้ามารดากลัวพึงเดินไปข้างหน้าแล้วปลอบโยนให้หายกลัว แต่ถ้าบาังเอิญมานดากอดคอหรือจับมือของภิกษุโดยเร็วท่านว่าอย่าสลัดเสียจงนำท่านขึ้นบกให้ได้ถ้ามานดาติดลมหรือตกบ่อภิกษุ พ, พึงโยนเชือกหรือผ้าลงไปก่อนเมื่อมานดาจับเชือกหรือผ้าแล้วภิกษุ พ, พึงสาวขึ้นแต่ไม่ควรถูกต้องการทำเพศัต์คือประกอบยาให้มารดาบิดาก็ทาได้ท่านไม่ถือเป็นเวชกรรม คือการทำอเนสนาด้วยการประกอบยาแม้การให้อนามตถบินทบาทแกมารดาบิดาก็ไม่ชื่อว่าทำศรัทธาไทยให้ตกไปอนามตถบินทบาทคือของที่ทายกถวายเพื่อให้ฉันแต่ภิกสุยังไม่ได้ฉันศรัทธาไทยนั้นคือของที่เขาถวายด้วยศรัทธาเลื่อมใสการให้ของฉันที่ตนยังไม่ได้ฉันแกบุคคลอื่นก่อน ท่านเรียกว่าเป็นการทำศรัท ธ, ธาไทยให้ตกไปแต่ให้แกมารดาบิดาได้ไม่เป็นการผิดพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ในอัตถกถาเพศัจชักกรณวัตถุท่านจึงกล่าวว่าถ้ามารดาบิดาเป็นใหญ่ไม่หวังการตอบแทนการไม่ตอบแทนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านหวังการตอบแทน แม้ท่านจะดำรงอยู่ในราชสมบัติก็ควรตอบแทนท่านความคิดเห็นของข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงหนังสือนี้เห็นว่ามารดาบิดาจะหวังการตอบแทนหรือไม่หวังก็ตามลูกควรทำการตอบแทนตามโอกาสอันควรทราบว่าในสมัยหนึ่งจีวานเป็นอันมากเกิดขึ้นแก่ภิกษุรูปหนึ่งเธอประสงค์จะให้จีวา น, นั้นแก่มารดาบิดา เธอบอกความประสงค์นั้นแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายได้นำความนั้นกราบทูลพระศาสดาพระศาสดาตรัสเรียกประชุมภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสอนุญาตให้จีวรแกมารดาบิดาได้ไม่เป็นการทำศรัทธาไทยให้ตกไปอัท ธ, ธกถากุลทุสกะสิกขาบทกล่าวว่า ภิกษุเมื่อให้ผลไม้ก็ตามดอกไม้ก็ตามของตนแกมารดาบิดานำไปให้เองก็ได้ให้คนอื่นนำไปให้ก็ได้เรียกมารดาบิดามาให้เองก็ได้ให้คนอื่นไปเรียกมาให้ก็ได้แต่ถ้าจะให้แกมูญาตควรให้คนอื่นเรียกมาให้หากจะให้ดอกไม้เพื่อบูชาพระรัตนตรัยท่านว่าให้ได้แต่ให้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น เช่นเพื่อการประดับหรือเพื่อบูชาสีวะลึงเป็นต้นไม่ควรการบูชาสีวะลึงด้วยดอกไม้และพวงมาลัยนั้นมีอยู่ดดเดือนในอินเดียส่วนมากสีวะลึงจะวางอยู่บนฐานอุมาลึงสีวะลึงก็คือลึงพระศิวะอุมาลึงก็คือลึงหรือเครื่องหมายเพศของนางอุมาเมียพระศิวะนั่นเองการให้ของแกมารดาบิดาของพิสุนั้น แม้รู้ว่าท่านจะเอาของนั้นไปขายเลี้ยงชีพก็ควรไม่เป็นอาบัติแต่ให้แก่คนอื่นเพื่ออย่างนั้นไม่ได้การปฏิบัติชอบในมารดาบิดานั้นเป็นมงคลอย่างสูงควรกระทำทั้งบัรพชิตและขรุขัดต้องถือเป็นหน้าที่ส่วนการประพฤติผิดในมารดาบิดาก็มีโทษมากเหมือนกันเช่นได้รับการติเตียนจากวินยูชน เป็นผู้เจริญได้โดยยากและตกนรกในที่สุดเช่นเรื่องนายมิตรวินทุกะเป็นอุทาหรณ์เรื่องตัวอย่างนายมิตรวินทุกะในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะมีบุตรเสด็จคนหนึ่งชื่อมิตรวินทุกะพ่อมีทรัพย์สมบัติถึงแปดสิบโกรในกรุงพาราณสีมิตรวินทุกะเป็นคนไม่มีศรัทธาไม่มีศีล ส่วนมานดาของเขาเป็นโสดาบันเมื่อบิดาถึงแก่กรรมแล้วเขาบอกมานดาว่าจเจ้าซับไปลงทุนทำการค้าทางเรืออย่าเลยลูกมานดาห้ามทรับสมบัติในตระกูลของเรามีอยู่เป็นอันมากใช้ไปตลอดชีวิตก็ไม่หมดภายในทะเลก็มีมากที่สำคัญกว่านั้นก็คือเจ้าเป็นลูกคนเดียวของแม่ เมื่อเจ้าจากไปแม่ก็คงเป็นทุกข์มากเพราะคิดถึงเจ้าเชื่อแม่เถอะลูกอย่าไปเลยเขาไม่ยอมเชื่อฟังแม่จะไปอย่างเดียวเมื่อแม่ห้ามและจับข้อมือไว้เขาสลัดมือออกและตีมารดาให้ล้มลงแล้วรีบลงเรือไปในวันที่เจ็เรือได้หยุดนิ่งท่ามกลางมาหาสมุทรไม่ได้เคลื่อนไหวเลยทั้งนี้เพราะมีมิตรตะวินทุ ก, กะเป็นกาลกันณีอยู่ในเรือ ชาวเรือได้จับสลากกันสลากนั้นตกแก่มิตรวินทุกะถึงสามครั้งชาวเรือจึงจับมิตรวินทุกะลอยแพไปแพนั้นลอยไปถึงเกาะแห่งหนึ่งมีนครหนึ่งบนเกาะนั้นซึ่งความจริงคืออุศธารกแต่นรกนั้นปรากฏแก่มิตรวินทุกะเสมือนนครนั้นสวยงามที่ประดับประดาแล้วด้วยอลังการต่าง ทั้งนี้เพราะกา ร, รมแห่งการทำร้ายมารดาเขาได้เห็นสัตว์นรกตนหนึ่งมีจักอันคมหมุนอยู่บนศีสษะคร่ำครวนอยู่แต่เขามองเห็นเป็นดอกบัวเครื่องจองจำทั้งห้าของสัตว์นรกนั้นปรากฏแก่เขาเป็นเครื่องประดับอกเลือดที่ไหลออกของสัตว์นรกเขาเห็นเป็นจุนจันเครื่องรูปลายเสียงคร่ำครวนของสัตว์นรกเขาฟังเป็นเพลงขับอันไพเราะ เขาเข้าไปใกล้สัตว์นรกนั้นแล้วกล่าวว่าสหายเอ๋ยท่านทัดดอกบัวมานานแล้วขอดอกบัวนั้นให้ชั้นบ้างเถิดอย่าเลยสหายสัตว์นรกบอกนี่หาใช่ดอกบัวไม่มันเป็นกงจากต่างหากท่านไม่ต้องการให้ชั้นใช่หรือไม่จึงกล่าวอย่างนั้นมิตรวินทุ ก, กะกล่าวสัตว์นรกนั้นคิดได้ทันทีว่าชะรอยกรรมของเราจากสิ้นแล้ว ชายคนนี้คงตีมารดาบิดามาเหมือนเราจึงได้เห็นกงจักเป็นดอกบัวเราจักให้จักอันคมนี้แก่เขาดังนี้แล้วกล่าวเชื้อเชิญว่ามาเถิดสหายเข้ามาใกล้ๆเราจักให้ดอกบัวทุมนี้แก่ท่านมิตร ว, วินทุกะเข้าไปด้วยความยินดีสัตว์นรกนั้นจึงโยนจักลงบนศีรษะของเขาจากนั้นหมุนบนกระหม่อมของเขาทันที เขารู้ตัวว่าเป็นจักเมื่อสายเสียแล้วเขาร้องเสียงหลงเรียกสัตว์นรกนั้นให้เอาจักคืนไปแต่สัตว์นั้นได้หายไปเสียแล้วมิตรวินทุกกะประสบทุกเวทนาแสนสาหัสอยู่ในรกนั้นเป็นเวลานานเพราะอากุศลคือการทุบตีมารดาหมายเหตุเรื่องมิตรวินทุกกะมาในอธิก า, ฐาจตุทวารชาดกทักะนิบาศเรื่องตัวอย่าง พระมหาโมคัลานะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแสดงถึงผลร้ายของการทำร้ายมารดาบิดาคือเรื่องพระมหาโมคัลานะในอดีตชาติเรื่องย่อว่าในอดีตการชายคนหนึ่งในกรุงพาราณสีหลงเชื่อคำของพรนยาที่ยุยงให้ทำร้ายมารดาบิดาชายนั้นต้องการฆ่ามารดาบิดาของตนซึ่งตาบอดทั้งสองข้างจึงทำทีว่า ญาติในหมู่บ้านหนึ่งต้องการเคารพมารดาบิดาเขาจึงอาสานําท่านทั้งสองไปขี่เกวียนไปเมื่อไปถึงกลางดงเขากล่าวกับมารดาบิดาว่าแถวชินนี้มีโจรชุกชุมมากลูกจะลงไปดูลาดเหลาก่อนแล้ววางเชือกไว้ในมือของบิดาเขาลงไปสักครู่หนึ่งทําเป็นเสียงโจรเข้าปล้นและทุบตีมารดาบิดา ในขณะที่ถูกทุบ ถ, ถูกโบยท่านทั้งสองเข้าใจว่าโจรทุบตีท่านจริงๆมีความห่วงลูกเป็นนักหนาพูดว่าลูกเรากำลังถูกพวกโจรฆ่าเจ้าอย่าเข้ามาจงหลีกเอาตัวรอดเส้ยเถิดท่านทั้งสองคร่ำครวญอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาที่ถูกบยบุรุษผู้นั้นสานึกได้ว่าโอ้น้าใจของมารดาบิดา ขณะที่ถูกเราโบยอยู่ก็คล่ำควรวนเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อความปลอดภัยของเราเราทําสิ่งไม่สมควรเสียแล้วดังนี้แล้วจึงหยุดอยู่ครู่หนึ่งเสมือนว่าโจรได้จากไปแล้วและตนมาถึงนวดมือและเท้าท่านทั้งสองพลางกล่าวว่าแม่และพ่อโจรหนีไปแล้วและนําท่านทั้งสองกลับมายัางเรือนของตนอย่างเดิมด้วยกรรมนั้น บรรุษนหมกไมมอยู่ในนรกเป็นเวลาช้านานเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ถูกพวกโจรทุบให้แหลกละเอียดถึงตายทั้งร้อยชาติในชาติจุดท้ายมาเกิดเป็นพระมหาโมคคลานะก็ยังถูกพวกโจรประหารอีกถึงนิพพานหมายเหตุเรื่องมหาโมคคลานะมาในอัตถกาถาสำพังขชาดก ส่วนการปฏิบัติชอบในมารดาบิดาย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสไว้ในสาวพรหมมกสูตรและในโสนนันทชาดกว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมสนรเสริญบุคคลผู้ปรนิบัติมารดาบิดาในโลกนี้เขาผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบรนเทิงในสวรรค์ การบำรุงเลี้ยงมารดาบิดานั้นพระบรมศาสดาของเราทรงสรรเสริญเป็นอันมากมีเรื่องเหล่านี้เป็นอุทาหรณ์